วันนี้เป็นวันเสาร์ที่ส4บสมีนาคมพุทธศักราช 2,569 เป็นวันที่ท่านสาธุชนพุทธบริษัตผู้ใฝ่ธรรมมีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆจึงได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาศึกษา มาปฏิบัติเพราะทําคคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อกำจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจให้มีแต่ความสุขยั่งยืนถาวรอยู่คู่กับใจไปตลอดธรรมะที่จะเอามาฝากท่านในวันนี้ก็มีหัวข้อว่าพระธุดงค์กรรมาฐาน คำว่าพระทุดงกรรมฐานนี้เป็นชื่อที่เราเรียกกับพระปฏิบัติสายวัดป่า<ม>เรียกว่าพระป่า<ม>เป็นพระที่มีการปฏิบัติทุดงขวัตและกรรมฐานเป็นหลักท<ม>ุดงขวัต น, นี้เป็นข้อวัดปฏิบัติเพื่อใช้ในการลดละ ความโลภความอยากในเรื่องของปัจจัยสี่ของผู้ปฏิบัติให้อยู่แบบเรียบง่ายให้อยู่แบบไม่ยุ่งยากให้อยู่แบบไม่ฟุ้งเฟอ้อเป็นการช่วยลดนิวรคือความอยากในรูปเสียงกฤษลดโพิตภัของของปัจจัยสี่เช่นอาหาร และ เ, ออเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยเป็นข้อวัดปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าทรงไม่บังคับให้พระจะต้องใช้กันสีลสอง้ยที่สิบเจ็ดข้อนี้เป็นเป็นข้อบังคับออแต่ชุดดวงควัตรที่มีสิบสามข้อนี้พระองค์ไม่ได้ทรงบังคับเพราะเห็นว่ามันเป็น วปฏิบัติที่เข้มข้นและอาจจะยากลำบากสำหรับผู้ที่ยังมีกำลังน้อยในการที่จะนำมามาใช้ในการปฏิบัติได้แต่เป็นข้อแนะนำที่องทรงเห็นว่ามีคุณค่ามีคุณประโยชน์ต่อผู้ที่ปรารถนาการหลุดพ้นจากความทุกข์ ด้วยการปฏิบัติที่เรียกว่าสุปฏิปันโนคือปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจะทำให้การปฏิบัตินี้ก้าวหน้าไปได้อย่างรวดเร็วเพราะจะช่วยกำจัดอุปสรรคนิวรที่ขวางการปฏิบัติสามารถทำลายนิวรต่างๆเช่นความ อยากในการรับประทานอาหารแล้วก็ความอยากอยู่สุขอยู่สบายมากจนเกินไปส่งสอนให้อยู่แบบเรียบง่ายให้กินแบบเรียบง่ายไม่ยุ่งยากจะได้ไม่เป็นภาระไม่ต้องเป็นอุปสรรค ในการที่จะเอาเวลามาให้กับการปฏิบัติถ้าอยู่ง่ายกินง่ายก็ไม่ต้องใช้เวลามากถ้าอยู่ยากกินยากก็จะต้องใช้เวลายุ่งยากกับการกินการอยู่มากขึ้นก็จะทำให้มีเวลาให้กับการปฏิบัติได้น้อยลง พระจรึงทรงสอนชุดงคขวั น, นี้เป็นทางเลือกทางพิเศษถ้าเปลียนเป็นน้ามันก็เป็นน้ำมันเบนซินชนิดพิเศษไม่ใช่น้ำมันเบนซินธรรมดาน้ำมันเบนซินธรรมดานี้อาจจะมีกาลังในระดับหนึ่งแต่ถ้าใช้น้ำมันเบนซินพิเศษก็จะมีมีกำลัง มากขึ้นทำให้เครื่องยนต์หรือรถยนต์นี้สามารถวิ่งได้เร็วขึ้นเป็นต้นจิตใจก็เหมือนรถยนต์ที่จะพาให้เรานี้ไปสู่จุดหมายปลายทางช้าหรือเร็วก็ขึ้นอยู่กับน้ามันเป็นต้นจิตใจก็ต้องมีน้ำมันพิเศษก็คือชูดงขาวัต ชุณดงขวันนี้มีทั้งหมด13ข้อด้วยกันแต่วันนี้คงยะไม่ได้นำมามาเสนอทั้ง13ข้อจะเอามาเสนอําพาะเรื่องราวที่กาลังใช้อยู่ข้อที่จรกําังกลังใช้อยู่ในปัจจุบันเป็นส่วนใหญ่ชุณดงขาวันนี้มีแบ่งไว้เป็น4หมวดด้วยกันหมวดที่1เกี่ยวกับการบริโภคอาหาร หมวดที่สองเกี่ยวกับการใช้เครื่องนุ่งหม่มหมวดที่สามเกี่ยวกับการที่ว่าใ่และหมวดที่สี่เกี่ยวกับการทำความเพียรมีแบ่งไว้ประมาณสี่หมวดรวมกันเป็นสิบสามข้อด้วยกันหมวดที่หนึ่งนี้เกี่ยวกับกรเรื่องของการบริโภคอาหารอันนี้เป็นเรื่องของนักบวช แต่ญาติโยมที่ปฏิบัติธรรมอยากจะเอาปรับมาใช้ก็สามารถปรับได้อาจจะไม่เหมือนกัน1้อยเปอร์ซแต่ก็เนื้อหาสาระก็ยังเป็นแบบเดียวกันอยู่คือส่งเสริมความมากน้อยสันโดษความอยู่ง่ายกินง่ายกาบความมากมาก้องกันความโลภความความต้องการที่ไม่จำเป็น แต่ได้ไม่ต้องเสียเวลามากกับการหาปัจจัยสี่มาอยู่มื้อกินหมวดที่หนึ่งเรียกว่าเกี่ยวกับเรื่องอาหารการกินนะพระพุทธเจ้าทรงสอนให้ท้าวิกษุถือข้อบิณฑบาตเป็นวัดถือข้อบิณฑบาตเป็นภารกิจสําคัญถ้าวันไหนจะต้องกินอาหารก็ให้หาอาหารด้วยการบิณฑบาต เป็นการเลี้ยงชีพที่สุดจริญเป็นความเลี้ยงชีพที่ได้คุณได้ประโยชน์ทั้งทางร่างกายและทางจิตใจร่างกายก็ได้อาหารจิตใจก็ได้ความมากน้อยสันโดษคือการบินธบานนี้ก็จะไปเลือกอาหารต่างๆไม่ได้แล้วแต่ผู้ให้ผู้มีสิทธิศรัทธาอยากจะให้อะไร ก็เป็นก็ยินดีรับมากหรือน้อยก็ยินดีรับถ้าไปถ้าอยู่ตามลำพังไปองค์เดียวก็รับได้แค่แค่เต็มบาทเท่านั้นเองก็จะได้ไม่ต้องมีอาหารกินมากจนเกินไปมีไว้เพื่อเลี้ยงชีพเลี้ยงร่างกายให้อยู่ไปวันวันึ่งไม่อดตายก็ถือว่าใช้ได้ แล้วก็อาหารก็เลือกชนิดไม่ได้ว่าต้องเป็นชนิดนั้นเป็นชนิดนี้ชนิดไหนก็เป็นอาหารเหมือนกันเข้าไปในร่างกายแล้วก็สามารถดับความหิวต่างๆได้เหมือนกันการรับประทานอาหารของผู้ปฏิบัตินี้เน้นอยู่ที่เหตุผลเหตุผลหลักของการกินอาหารก็เพื่อดับความหิวที่เกิดจากการขาดอาหารเท่านั้นเอง ไม่ได้เน้นในการกินอาหารให้เกิดความสุขความสุขใจความสบายความดีใจที่ได้กินอาหารที่ชอบแต่นี่กินอาหารเพื่อดับความหิวจะเป็นอาหารที่ชอบหรือไม่ชอบก็ไม่สำคัญขอให้มีอาหารที่กินเข้าไปแล้วทำให้ความหิวหายไปก็ใช้ได้นี่คือการ ห า, หาอาหารมาเรียงชีพของนักบวชให้หาจากการบินธบาตร่างกายก็ได้อาหารใจก็ได้ความเพียรคือต้องออกไปเดินตามบ้านตามช่องเดินบินธบาตก็ได้ทำความเพียรได้ออกกำลังกายขณะที่เดินบินธบาตก็ให้มีสติรู้อยู่กการเดินบินธบาต เวลารับบาตรก็เวลารับอาหารก็ให้มีสติรู้อยู่การรับอาหารที่เขาเอาใส่บาตรเป็นต้นเป็นการปฏิบัติเจริญสติไปควบคู่กันเจริญวิริยะความภาคเพียรไปในตัวด้วยนี่เป็นภารกิจที่พระเจ้าทรงเ น, น้นทรงสอนให้พระที่มาบวชในพระพุทธศาสนาถือเป็นภารกิจสําคัญ ทรงสอนตั้งแต่วันบวชเลยวันที่พระบวชใหม่บวชเสร็จใหม่ๆนี้พระอุปชาจะต้องสอนงนกิจที่พึงกระทำของของพระภิกษุหนึ่งในกิจนั้นก็คือการบิณฑบาตเป็นเป็นภาระเป็นหน้าที่เป็นวัดเป็นข้อวัดปฏิบัติที่จะต้องทําเป็นประจำตราบใดที่ยังต้องมีการกินอยู่ตราบใดที่ร่างกายยังสามารถที่จะทําหน้าที่นี้ได้อยู่ ไม่ควรละเวน้นเพราะเป็นอาชีพที่เหมาะที่ควรเป็นสา ม, ม า, าชีพของนักบวชและเป็นอาชีพที่จะช่วยส่งเสริมความเพียรในด้านการปฏิบัติเพื่อดับความทุกข์ต่างๆของใจให้หมดสิ้นไปได้ท่งแสดงไว้ในจิตของภาพใหม่แล้วก็ส่งแสดงไว้ในทุดงขวัตสิสามข้อนี้แล้วก็ส่งแสดงเป็นตัวอย่างในพุทธกิจ หข้ออระพุทธเจ้าจะมีพระพุทธมีกิจชิ้ตรงกระทำอยู่ประจําอยู่ห้าข้อด้วยกันหนึ่งในห้าข้อก็คือการออกบิณฑบาตเป็นวัดอระพุทธเจ้าจะทรงออกบิณฑบาต ท, ทุกครั้งทุกวันยกเว้นถ้ามีอาการเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สามารถที่จะไปได้เท่นั้นพระองค์ก็จะต้องวัดไปตามความจําเป็น แต่ถ้าเป็นปกติแล้วก็จะถือการบินสบายเป็นวัดนี่คือข้อชุ ด, ดงข้อที่หนึ่งเรียกว่าการบินสบายเป็นวัดข้อที่สองก็คือการไม่รับอาหารที่ได้ที่ได้เพิ่มเติมมาที่วัดก็จะรับแต่เฉพาะในช่วงที่บินสบาย เวลากลับเข้าวัดแล้วก็จะไม่รับอาหารที่ตามมาส่งในภายหลังเพราะไม่ต้องการอาหารมากจนเกินไปแล้วก็ไม่ต้องการจะเสียเวลากับการที่จะต้องมาเป็นธุระกับอาหารต่างๆที่มีมากมายมากจนเกินไปทำให้เสียเวลาของการปฏิบัติไปยังยังไม่รับอาหารที่ญาติโยมจะตามมาให้หลังจากที่เข้ามาถึงวัดแล้ว ถ้าจะใส่บาตรก็ต้องใส่นอกวัดเช่นที่วัดป่าบ้านตาในช่วงเข้าพรรษานี้พระท่านจะถือธุดงค์เขาวัดเท่านี้กันก็จะรับอาหารเฉพาะในช่วงบินฑบาตพอกับเข้าวัดแล้วก็จะไม่รับญาติโยมที่มามาช้าก็มักจะต้องมายืนรอที่หน้าประตูวัดกันเพื่อดักใส่ก่อนที่พระจะเข้าไปในวัด เพราะถ้าพระเข้าไปในเขตวัดแล้วจะเดินจะเข้าไปในวัดเพื่อเอาอาหารไปถวานนั้นท่านจะไม่รับนนที่หน้าวัดป่าวัานตาทางเข้านี้จะมีโต๊ะตั้งให้ญาติโยมเอาอาหารต่างๆมาตั้งมาคอยเพราะบางทีมาไม่ทันพระที่ไปบินสบาทก็เลยต้องมาดาักใส่ที่หน้าวัดเป็นต้นนี่ก็คื อ, อทุดงข้อวัดข้อที่สอง แต่ที่วัดปาบ้านตานี้จะทํำเฉพาะในช่วงเข้าพรรษานอกพรรษานี้ท่านก็ยังรับของที่ญาติโยมตามมาถวายที่วัดได้อยู่ที่วัดญาณ น, นี้ก็จะรับอาหารได้หลังจากที่กลับมาจากบินสบายญาติโยมอยากจะเอาอาหารมาถวายต่อก็ยังสามารถทําได้อยู่ที่วัดญาณ น, นี้ไม่ได้ถึงข้อนี้ถือแต่ข้อบินสบายเป็นวัด แล้วข้อที่สามที่เกี่ยวกับการบริโภคอาหารก็คือการฉันในบาตรคือเอาบาดนี้เป็นภาชนะไว้สําหรับใส่อาหารจะได้ไม่ต้องยุ่งยากกับการต้องหาจานหาหาชามอะไรต่างๆมาใส่อาหารชานิดต่างๆให้อาหารใส่เข้าไปในบาตรอาหารที่จะรับประทานนี้ให้ใส่เข้าไปในบาตรเพื่อที่จะได้ไม่ ไม่แยกเยะเรื่องอาหารว่าต้องแยกอาหารนกข้าวบ้างอาหารหวานบ้างคือไม่ให้ยุ่งกับการที่จะต้องกินอาหารมากจนเกินไปให้กินแบบง่ายๆให้มองว่าอาหารที่อยู่ในบาดนี้เดี๋ยวก็ต้องเข้าไปรวมกันอยู่ในท้องจึงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องแยกอาหารถ่ายเป็นจานๆ อาหารชนิดนี้ใส่จานหนึ่งอาหารชนิดนั้นใส่จานหนึ่งเพราะเดี๋ยวก็ต้องเข้าไปรวมกันอยู่ในท้องอก็เลยใช้บาทนี้เป็นภาชนะแทนท้องไปก่อนอาหารที่จะเข้าไปในท้องก็เอามาใส่ไปในบาการ์าชันในบาทนี้ก็มีประมาณสามลักษณะด้วยกันคือ ชันแบบไม่เข้มข้นหรือจนไปถึงขั้นเข้มขน้นขั้นที่หนึ่งขั้นที่ไม่เข้มข้นก็คือเอาอาหารใส่ไปแล้วก็แยกเป็นมุมๆไปข้าวไว้มุมหนึ่งกับข้าไว้มุมหนึ่งของหวานผลไม้อะไรไว้มุมหนึ่งก็ได้อันนี้ยังถือว่าชั้นด้บาทอยู่ขั้นที่สองก็คือไม่แยกเอาข้าวใส่เข้าไปเอากับข้าวใส่เข้าไปเอาของหวานใส่เข้าไปโดยที่ไม่แยกมุม ให้มันปนกันไปโดยโดยที่ไม่ต้องพยายามไปจัดไปแยกมันอันนี้ขั้นที่สองขั้นที่สามก็คือนอกจากไม่แยกแล้วก็คุกมันเลยอาหารทั้งหมดที่เข้าไปในบาสนี้ก็คุกรวมกันหมดทั้งขาวทั้งหวานทั้งข้าวทั้งกลับให้เป็นเหมือนกับอาหารจานเดียวอันนี้เป็นขั้นขั้นเข้มข้นสำหรับการปาพิเล ที่ชอบหาความสุขจากกินอาหารแบบชนิดต่างๆการการกินอาหารของนักปฏิบัติธรรมนี้กินเพื่ออยู่ไม่ได้อยู่เพื่อกินกินเพื่อเลี้ยงร่างกายให้มันอยู่รอดไปวันวันหนึ่งไม่ได้กินเพื่อหาความสุขจากการกินอาหารชนิดต่างๆเพราะถ้าไปกินแบบกินเพื่ออยู่นี่มันจะทำให้ติดรสชาติอาหาร แล้วเวลาที่ไม่ได้กินอาหารที่ชอบก็จะมีความไม่ไม่สบายใจไม่สุขใจขึ้นมาได้แต่ถ้ากินเพื่ออยู่นี่กินอะไรก็ได้เดี๋ยวมันก็ต้องไปรวมกันอยู่ในท้องอยู่ดีอันนี้คือเรื่องของกานชั้นในบาตรหรือกินอาหารในบาตรญาติโยมก็าสามารถทำแบบนี้ได้ด้วยการเอาชามใหญ่ๆมาใส่อาหารต่างๆที่ที่จะกินเข้าไปในท้องนี้ ไม่ต้องเสียเวลากับการใส่เข้าไปในจานหลายๆใบด้วยกันไม่ต้องจะได้ไม่ต้องมามาลาบากกับการ<ม>ล้างจานล้างชามีกกินใบเดียวจานใบเดียวชามใบเดียวก็พอใส่อาหารที่เราจะรับประทานเข้าไปรวมกันในบาดนัรวมในชามนั้นเ พ, เพื่อการกินง่ายอยู่ง่ายไม่ยุ่งยากไม่เลือกอาหารชนิดต่างๆตราบใดที่อาหารที่กินนั้นไม่ทาให้เกิด โรคภัยไข้เจ็บต่อร่างกายก็ถือว่าใช้ได้เรื่องรสชาติก็ดีเรื่องชนิดก็ดีก็ยินดีไปตามมีตามเกิดเราจะทำให้ไม่ต้องวุ่นวายกับการหาอาหารมารับประทานนี่คือการกินเพื่ออยู่ไม่ได้อยู่เพื่อกินนี่ข้อที่ข้อที่หนึ่งฉันให้เบญบาศข้อที่สองฉันให้บาทข้อที่สามฉันมื้อเดียวฉันครั้งเดียว วันนึ่งชัน้นแค่เดียวก็พอร่างกายก็เหมือนรถยนต์รถยนต์ก็มีถังน้ํามันร่างกายก็มีท้องใส่อาหารเวลาเติมน้ํามันทีเดียวก็เติมให้มันเต็มถังไปเลยจะได้ไม่ต้องมาคอยจอดแวะเติมน้ํามันอยู่เรื่อยๆยิ่งเฉพาะช่วงนี้น้ำมันกําลังขาดตลาดถ้าเวลามีโอกาสได้เติมก็เติมให้มันเต็มไปเลยทีเดียวจบมไม่ต้องมาแบ่งแบ่งเป็นสาม สมตอนด้วยกันตอนเช้าตอนตอนกลางวันตอนตอนเย็นตอนตอนึร่างกายก็มีท้องใบเดียวให้ก็กินทีเดียวให้มันเต็มไปเลยตั้งแต่ตอนเช้าเลยอย่างพระที่ถือพระสงเขาวัานนี้ท่านมักจะไม่ไม่ไม่กินอาหารละไม่กินอาหารเทนกันยินตาอาหารเช้าพอกลับมาจากบิณฑบาตมาถึงสาราก็ช่วยกันนั่งจัดอาหารแบ่งอาหารกันแล้วก็ฉันกันฉันในบาศ ฉันหนุนเดียวพอฉันเสร็จแล้วก็เลิกฉันแล้วสําหรับวันนั้นเพราะได้เติมอาหารเข้าไปในท้องอย่างเต็มที่แล้วไม่ได้ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ห้ามอยากจะกินเท่าไหร่ก็กินได้แต่ให้กินครั้งเดียวก็เหมือนเติมน้ํามันก็ให้เติมครั้งเดียวเช่นต่อไปถ้าเกิดเขามีมาตรการให้เติมนะเติมน้ำมันได้ครั้งเดียวเวลาเดียวนี้ก็ เ, เวลาเติมของเราก็ต้องเติมทีเดียวให้มันเต็มถังไปเลย อัในใดการกินอาหารก็เป <Laser. S 1> <abilir. S 2> <im> ็นอย่างนั้นเป็นการเติมน้ํามันให้กับร่างกายฉะนั้นการเติมอาหารให้กับร่างกายนี้ก็ไม่จำเป็นจะต้องแบ่งเป็นสามตอนสามเวลาด้วยกันตอนเช้าตอนตอนกลางวันตอนตอนเย็นตอนเอาวันทีเดียวตอนเดียวไปเลยได้อาหารเท่ากันเพราะท้องมีใบเดียวขนาดเดียวกันฉะนั้นไม่จำเป็นจะต้องมาแบ่งเป็นสามสามตอนด้วยกันอนี้ก็เป็นการลด ปัญหาเรื่องการกินเวลาที่ต้อมาใช้กับการกินถ้ากินสองมือก็ต้องเสียเวลาสองเท่าถ้ากินมือเดียวก็เสียเวลาเท่าเดียวถ้ากินสามสามมือก็ต้องเสียเวลาสามเท่าให้กับการกินก็จะเสียเวลามีค่าไปเอาเวลามีค่าไปจากการไปปฏิบัติธรรมนั่นเองนี่คือข้อทุดง ข, ขวัดข้อที่ข้อที่สาม ฉันมือเดียวฉันในบาทแล้วก็บินธบาทเป็นวัดเป็นต้นนี่เป็นข้อธุดงค์ของวัดที่พระป่าพระธุดงกรรมฐ า, านนี่จะใช้กันอยู่เป็นประจำก็ ม, ม, มีข้อที่สี่เมื่อกี้ก็ช่วงเข้าพรรษาที่วัดป่าบัานตายก็จะไม่รับอาหารที่ญาติโยมใส่บาทตามมาใส่บาทที่วัดจะรับเฉพาะอยู่นอกเขตวัดเ อ, อกลับเข้าวัดแล้วก็จะไม่รับ น, นี่คือวิธีการขบฉันของพระปฏิบัติที่เรียกว่าทุดงขวรัตน์การถือธุดงนี้ไม่ใช่หมายความว่าจะต้องเดินแ บ, บกกรดแล้วเดินไปตามท้องถนนแลเดินตามไปตามสถานที่ต่างๆอันนั้นก็เป็นทุดงเหมือนกันแต่มันเกี่ยวกับเรื่องของการที่อยู่อาศัยที่อยู่อาศัยของพระท่านก็ให้สอนให้ให้อยู่ตามป่าตามเขาให้อยู่ตามโคนไม้ ไม่ต้องมีกุฏิก็อยู่ได้ถ้าเป็นพระนักปฏิบัติถ้าเกิดไม่มีการโยงสร้างกุฏิให้อยู่ไม่มีวัดที่อยู่ก็ให้ไปอยู่ตามป่าให้อยู่ตามโคนไม้ปักกฎมีกฎใบหนึ่งมีร่มคันหนึ่งแล้วก็มีมุงคุมคุมล่มลงมาก็สามารถนั่งนอนในในในมุ้งนั้นได้ปฏิบัติธรรมอยู่ในป่าในเขาทาํานนำพังได้ อันนี้ก็ทุดงควัตที่เกี่ยวกับการเกี่ยวเกี่ยวกับที่อยู่อาสัยคือให้อยู่ตามตามสถานที่สงบสงัดมิเวกไม่มีเสียงกระทึกครือโคไม่มีเรื่องราวต่างๆมาคอยลบกวนใจที่ที่จะเป็นอย่างนี้ก็มักจะเป็นที่ตามตามป่าตามเขาที่ห่างไกลจากหมู่บ้านห่างไกลจากคน กางกายจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆเป็นที่เหมาะต่อการเจริญกรรมฐานสอจิตตภาวนาทำใจให้สงบทำใจให้บรรลุทำได้จึงสอนให้เลือกที่อยู่ตามาตามคนไม้ให้อยู่ตามคนไม้ให้อยู่ในป่าข้อหนึ่งให้อยู่ในป่าสองถ้าไม่มีกุติในป่าอยู่ก็อยู่กลางโกรดเอาอยู่แบบกลางเต็นท์เอาอยู่แบบ ธรรมชาติอยู่ตามมีตามเกิดแล้วถ้าเกิดไปอยู่ตามวัดตามสถานที่ปฏิบัติธรรมก็ไม่เลือกไม่เลือกกุติแล้วแต่เขาจะจัดให้จัดให้แบบไหนก็อยู่แบบนั้นไปไม่จู้จี้จุกจิกไม่อยากจะได้กุติหลังนั้นกุติหลังนี้บ้านหลังนั้นบ้านหลังนี้แล้วแต่ผู้ที่จัดเขาจะจัดให้ตามความเหมาะสม เราเป็นผู้มาอยู่อาศัยก็ยินดีตามมีตามเกิดไปจะได้ไม่ต้องมาวุ่นวายกับเรื่องที่อยู่อาศัยถ้าไม่มีกุฏิไม่มีบ้านก็อยู่ตามคนไม้ปักโขดเอาแต่ต้องไปอยู่ในป่าถึงม้จะมีกุฏิมีบ้านก็ควรจะเป็นกุฏิหรือบ้านที่อยู่ในป่าในเขาเพราะจะเป็นสถานที่ที่สงบสงัดมิเวกไม่มีเรื่องอะไรมารบกวนใจนี่ก็สามข้อด้วยกัน อยู่ตามป่าตามเขาอยู่อยู่ใต้โคนไม้เพราะร่มเย็นกลางกรดอยู่หรือถ้าอยู่ในกุฏิหรืออยู่บ้านก็แล้วแต่เขาจะจัดให้เขาจะจัดให้ให้อยู่หลังไหนตรงไหนก็อยู่ไปยินดีตามตามีตามเกิดไปใจจะได้ไม่ต้องมาวุ่นวายเกี่ยวกับปัญหาที่อยู่อาศัยสามารถอยู่ได้ทุกสถานที่อันนี้คือถามข้อนี้ก็เกี่ยวกับการที่อยู่อาศัย แล้วเกี่ยวกับเรื่องการใช้เครื่องนุ่งหม่มคือจีวรของพระสมัยโบราณท่านก็นิยมใช้ผ้าบางสกลุลเพราะผ้าบางสกุลนี้เป็นผ้าที่หาง่ายไม่มีใครต้องการบางสกลุลก็คือผ้าที่เขาใช้หอ่อศพในสมัยโบราณเวลาคนตายนี่เขาไม่เอาไปฝังหรือเอาไปเผาเขาเพียงแต่เอาผ้าขาวมามาม า, มาหม่มมามัดศพแล้วก็เอาไปทิ้งไว้ในป่าช้า ปล่อยให้ร่างกายเน่าเปื่อยไปพอร่างกายเน่าเปื่อยไปว่าแห้งเหลือแต่โครงกระดูกแล้วผ้าที่เขาห่อนั้นก็ไม่มีใครต้องการก็เป็นเป็นผ้าที่นักบวชสามารถมาชักบางสกุลได้มาสามารถเอาไปซักเอาไปเย็บไปตัดไปย้อมเอามาทาเป็นผ้าจีวรได้อันนี้เรียกว่าการใช้ผ้าบางสกุลเป็นวัสซึ่งสมัยนี้คงจะหายากแล้ว เพราะว่าไม่มีธรรมเนียมแบบนี้หลงเหลืออยู่คนตายเดี๋ยวนี้เราก็เอาใส่หีบใส่โลงแล้วก็เอาไปเผาแต่ก็ยังมีพิธีกรรมชักผ้าบางสกุลอยู่คือเอาผ้าที่สําเร็จรูปที่ตัดไว้อย่างดีแล้วมาตั้งไว้ที่หน้าโลงแล้วก็ให้ผ้าไปพิจารณาผ้าบางสกุลแต่ความจริงนี้มันไม่ใช่บางสกุลแท้บางสกุลเทียมเป็นผ้าไหมเอี่ยมเป็นผ้าที่ไม่มียังไม่มีใครใช้ แต่ผ้าบางสกุลนี้ของแท้นี่เป็นของที่สดเอาสดเอาไปใช้ก่อนเขาใช้ใช้เป็นผ้าหอ่อศพแล้วพอศพเน่าเปื่อยแห้งแห้งกรอบกระดูกเหนือแตกกระดูกหรือกระดูกผูกวางไปนะก็สามารถเอาผ้านี้ม า, ม า, ม, ามาตัดมาเย็บมาซักมาย้อมเป็นผ้าห่มไดนะ้นี่คื อ, อข้ อ, อข้อหนึ่งคือให้ อยู่แบบง่ายสมัยก่อนนี้พระไม่ต้องการที่จะไปรบกวนญาติโยมชาวบ้านให้ญาติโยมต้องเสียเงินเสียทองซื้อผ้าซื้ออะไรมาให้พระมักจะไปหาของฟรีของฟรีในสมัยนั้นก็คือผ้าบางสกุลที่ไม่มีใครต้องการอันก็จะไปเก็บผ้าตามป่าชา้าเวลาที่ต้องการที่จะหาผ้ามาใช้เป็นเครื่องนุ่งห่มแล้วการซื้ การถือผ้าก็ให้มีแค่เพียงสามผืนก็พอไม่ต้องมีมากจนเกินไปมีเท่าที่จําเป็นเรียกว่าการถือผ้าสามผืนผ้านุ่งหนึ่งผืนผ้าห่มสองผืนผ้าห่มเนื้อหนึ่งผืนผ้านุ่งหนึ่งผืนแล้วก็ผ้าห่มกันหนาวอีกหนึ่งผืนเป็นสามผืนด้วยกันผ้าห่มกันหนาวก็ผ้าที่พระท่านใช้พาดไหลเวลาที่เราเห็นท่านไปทําพิธีกรรมท่านมักจะมีผ้าผืนนึ่งพาดอยู่บนไหล่ อันนั้นก็เป็นผ้าห่มกันหนาวแต่ท่านที่ท่านเอาติดตัวไปเพราะสมัยก่อนท่านไม่มีกุฏิที่มิชิดไม่มีที่เก็บผ้าให้มิชิดก็เลยเวลาไปไหนนี่จะต้องเอาผ้าทั้งสามผืนนี่ติดตัวไปด้วยเพราะทัดทิ้งไว้ในที่ที่ไม่มิชิดอาจจะมีขโมยหรืออาจจะมีลิงมีสัตว์อะไรมาเอาไปก็ได้ท่านก็เลยต้องมีผ้าสามผืนติดตัวไปเป็นผ้าสําคัญต่อการ ใช้ในการปกปิดร่างกายก็คือการนี่ก็คือการถือผ้าสามผืนเป็นวัดคือไม่ไม่ให้มีมากเกินไปมีหนึ่งหนึ่งชุดก็พอพออยู่ได้ไม่ลำบากไม่ต้องคอยมาดูแลรักษาให้ยุ่งยากเปล่าๆนี่ก็คือวิธีการอยู่การกินการใช้ผ้าของพระภิกษุที่พระพุทธเจ้าทรงกาหนดไว้ในพระในทุดงควัตอันนี้มีเพื่อให เสริมความอยู่แบบเรียบง่ายอยู่แบบมากน้อยสันโดษไม่ยุ่งยากไม่วุ่นวายเพื่อที่จะได้ไม่ต้องมามาเป็นปัญหามาเป็นมาเป็นนิวรามาเป็นอุปสรรคต่อการบําเพ็ญจิตตภาวานานั่นเองญาโยมที่ต้องการที่จะปฏิบัติธรรมอยากจะไม่ต้องวุ่นวายกับการที่อยู่อาศัยกับเครื่องนึ่งหม่มแล้วก็กับเรื่องการกินอาหารก็สามารถเอาทุดงควัดเหล่านี้ไปปรับไปใช้ให้ถูกกับ เพศของตนได้เป้าหมายก็คือให้อยู่แบบเรียบง่ายไม่ยุ่งยากไม่จุ้จี้จุกจิกไม่มากไม่ไม่โลภมากไม่อยางไม่ต้องมีมากมีมากเกินไปก็ต้องมีภาระนั่งมาคอยดูแลรักษาของที่เรามีมากของมีของน้อยเราก็จะได้ไม่ต้องวุ่นวายมากนะักนี่คือเรื่องของทุดงส่วนกรรมฐานนี่ก็คือการปฏิบัติธรรม เจริญจิตตภาวนาก็จะต้องมีกรรมฐานเป็นอารมณ์อารมณ์ไว้ผูกใจให้ใจสงบให้ใจนิ่งแล้วก็มีกรรมฐานที่จะสอนใจให้ใจเกิดปัญญาให้เห็นว่าร่างกายนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่สวยไม่งามเป็นต้นอันนี้คือการใช้กรรมฐานเป็นอารมณ์ในการปฏิบัติจิตตภาวนาเป้าหมายของการปฏิบัติก็คือเพื่อกําจัดกิเลสความโลภความโกรธความหลงต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจด้วยการใช้กรรมฐานนี้ จเจริญส ม, มถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนานี่คือที่มาของคำว่าพระธุดงค์กรรมฐานที่เราอาจจะเคยได้ยินได้ฟังผ่านหูมาบ้างก็ขอให้เข้าใจว่าเป็นพระที่รักษาธุดงค์ขาวัดต่างๆและเป็นพระที่ปฏิบัติจิตตะภาวนาโดยการใช้กรรมฐานเป็นอารมณ์เป็นเครื่องเจริญสติเป็นเครื่องจเจริญ ส, สมาธิและเป็นเครื่องจเจริญปัญญา น, นี่ก็คือโดยย่อย่ๆที่เอาเรื่องของพระทุดงกรรมฐานมาฝากท่านในวันนี้ก็พอสมควรแก่เวลาเพราะว่าต่อไปนี้เราก็จะมาปฏิบัติธรรมกันเราจะมาเจริญกรรมฐาน ก, นกันกรรมฐานก็คืออารมณ์ที่เราจะใช้ผูกใจให้ใจไม่คิดปรุงแต่งเพราะเราต้องการให้ใจนิ่งให้สงบ เพราะการทำให้ใจนิ่งให้แใจสงบให้เป็นสมาธินี้จะทำให้ใจมีพลังทำให้ใจมีความสุขทำให้ใจมีความสามารถที่จะสู้กับความอยากกิเลสตัณหาความโลภความโกรธความหลงต่างๆได้ถ้าเราไม่มีสมาธินี้เราจะไม่มีกำลังถึงแม้เราอาจจะมีปัญญารู้ว่าความทุกข์ใจของเรานี้เกิดจากกิเลสตัณหาความโลภความโกรธความหลงก็ตาม แต่เวลามันเกิดขึ้นมานี้ถ้าเราไม่มีสมาธิเราจะไม่มีกําลังที่จะหยุดมันได้ทั้งๆที่รู้ว่าความทุกข์ของเราเกิดจากความโกรธของเราเกิดจากความโลภของเราเกิดจากความอยากของเราแต่เราจะหยุดมันไม่ได้ถ้าเราไม่มีสมาธิแต่ถ้าเรามีสมาธิเนี่เราจะมีกําลังเวลาใจเราทุกข์ขึ้นมาแล้วปัญญาพิจารณาว่าเกิดจากความโลภแล้อเกิดจากความโกรธล้วก็สามารถหยุดความโลภหรือหยุดความโกรธนั้นได้ทันทีเลย ยังจำเป็นอย่างยิ่งที่ก่อนที่เราจะไปทางปัญญาได้เราต้องมาสร้างสมาธิให้เกิดขึ้นก่อนสมาธิเป็นเครื่องมือของปัญญาอีกทีหนึง่งถ้าปัญญาไม่มีสมาธิก็เป็นปัญญาที่ไม่มีกําลังถ้าเป็นอาหารก็เหมือนกับไม่มีอาวุธส่งอาหารไปสู้กับข้าศูกศัตรูโดยไม่มีอาวุธให้กับกหางไปก็ถูกเขาฆ่าเท่านั้นเองอันใดจะใช้ปัญญาสู้กับกิเลสก็ต้องมีสมาธิเป็นอาวุธอาวุธที่จะหยุดความโลภความโกรธความหลงได้ เราจรึงต้องพยายามในเบื้องต้นสร้างสมาธิขึ้นมาให้ได้ก่อนสร้างอาวุธของใจขึ้นมาให้ได้ถ้าเรามีสมาธิแล้วพอเราไปทางปัญญาเพื่อไปสู้ยกับกิเลสเราก็จะสามารถใช้สมาธินี้หยุดความโลภความโกรธความหลงต่างๆได้ความทุกข์ต่างๆที่เกิดจากความโลภความอยากต่างๆก็จะหายไปทันทีดังนั้นต่อไปนี้เราจะมานั่งสมาธิกันใช้เวลาประมาณ20กว่านาที ด้วยการเกือบ30นาทีวิธีนั่งสมาธิก็คือนั่งเพื่อให้จิตนิ่งสงบไม่ให้คิดอะไรให้เป็นสมาธิให้จิตรวมเป็นหนึ่งให้จิตมีความสุขให้จิตมีความสบายจิตจะสงบจะสบายได้ต้องไม่คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้จิตจะไม่คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ต้องมีสมาธิต้องมีสติคือการละลึกรูก้กำกับใจให้ละลิกรูก้รู้อยู่กับอารมณ์ของกรรมฐานกรรมฐานนี้ก็มีหลายชนิดด้วยกัน แต่ที่อามาสนอท่านในที่นี้ก็เป็นตัวอย่างท่านสามารถเลือกใช้กรรมฐานอย่างอื่นได้ถ้าท่านมีกรรมฐานอยู่แล้วก็ใช้กรรมฐานของท่านไปทีนี้เราก็มักจะแนะนําใช้คําบริกรรมพุโทโธหรือการดูรวมหายใจเข้าออกเวลานั่งสมาธิอย่างใดอย่างหนึ่งหรือจะใช้ทั้งสองอย่างปนกันก็ได้หายใจเข้าก็ว่าพุทหายใจออกก็ว่าโธก็ได้แต่ให้มีกรรมฐานให้มีสติอยู่กรรมฐานเพียงอย่างเดียวะ ถ้าใช้พุโทโธก็อยู่กับพุโทโธไปใช้ลมก็ดูลมไปอย่าทิ้งลมอย่าทิ้งพุโทโธไม่ว่าจะมีอะไรปรากฏขึ้นในขณะที่นั่งมีเสียงดังเข้ามามีรูปปรากฏขึ้นมามีอารมณ์มีความคิดอะไรก็อย่าไปสนใจให้ผูกใจและเลิกรู้อยู่กับกรรมฐานไปจนกว่าจิตจะรวมเป็นสมาธิจนกว่าจิตจะเน่งถ้าจิตยังไม่รวมยังไม่นน่งอย่าทิ้งกรรมฐานให้อยู่กับกรรมฐานไปเพียงอย่างเดียว อย่าไปสนใจกับความรู้สึกต่างๆที่ปรากฏขึ้นมาความสุขบ้างความทุกข์บ้างเรื่องอะไรต่างๆเข้ามาในใจก็อย่าไปสนใจให้ปลูกใจไว้อยู่กับกรรมฐานไปเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องแล้วเรื่องราวต่างๆก็จะหายไปหมดพอจิตรวมลงจิตก็จะว่างเย็นสงบสบายไม่มีอะไรให้ต้องมาคอยคอยลำคาญใจต่อไปนี่คือเป้าหมายเบื้องต้นทำจิตให้นิ่งจิตให้รวมจิตให้สงบ เกิดให้เป็นสมาธิด้วยการมีสติแ ล, ล้วก็นิ้อยู่กับกรรมาฐานไปตลอดอย่าทิ้งกรรมาฐานไปเด็ดขาดพอทิ้งไปแล้วจิตก็จะหลงทางจะไปไม่ถึงความสงบได้แ้ต่อไปนี้เราก็จะมานั่งกันมีเวลาประมาณสักสามสิบสี่สามสิบห้านาทีด้วยกันอยี่สิบห้านาทีด้วยกันอตอนนี้เวลาสหรอบการนั่งสมาธิก็ได้หมดลงแล้ว ก่อนที่จะเลิกกดสังเกตดูว่าวันนี้นั่งแล้วสงบดีไหมถ้าสงบดีก็ให้จดจำวิธีนั่งของวันนี้ไว้เพื่อเอาไปใช้ต่อในคราวหน้าได้เลยแล้วจิตก็จะสงบเหมือนวันนี้แต่อย่าไปนั่งแล้วอยากให้มันสงบเหมือนวันนี้เพราะความอยากจะไม่ทำให้มันสงบต้องวิธีนั่งแบบวันนี้ถ้านั่งยังไม่สงบก็แสดงว่าสติยังมีกาลังน้อยก็ต้องพยายามฝึกสติให้มากก่อนที่จะมานั่ง สามารถฝึกสติได้ทั้งวันเติมขึ้นมาก็บริกรรมพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆหรือเข้าดูการกระทําต่างๆของร่างกายไปอย่าปล่อยให้ใจชิดเรือเ่อยเปืยแล้วต่อไปเราจะมีสติมากขึ้นและเวลานั่งสมาธิก็จะสงบได้มากขึ้นนั่นึ่งแล้วต่อไปนี้จะขออนุมโมทนาให้พรยะถ า, าวาเลวาฮาปุราภิเรโณมิติสากหลัง เอวเมววิโตจินังเตตานังปกปติทิตังปะทิตังตุมหังคิดเมววัสมิจโตสัพเพปเรนตุสังสปาจันโทปนารัสยคา n าณิโตติรัสยาาสัพพิตโยวิวัจจันโต สัพพโลวินาตมาเตภวะตวันตาโยสุขีพิทาโยภวะอภิวาสนาสีริสนิจังุทธะปจายโนจตาโรธรรมวาทานติอายุวันโอสุขังาล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 ยูทูบพราสุชาติไลฟ์สามร้อยสิบดรวสิวิทยุออนไลน์6กคลับเฮาส์หนึ่งนากุติร้อยหสรวม7 3็้อยสาสิบเอ็ดค่ะมีคำถามฝากถามจากหน้ากุติค่ะเมื่อรู้สึกว่าได้รับความไม่เป็นธรรมจากเจ้านายแล้วคิดหาสาเหตุหาเหตุผลไม่หยุดจิตใจเศร้าหมองวางไม่ได้ ขอหลวงพ่อช่วยให้ไขอุบายทางออกให้ด้วยเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าให้เรามองทั้งอย่างเหมือนเป็นเินฟ้าอากาศเราไปควบคุมบังคับหาเหตุผลจากเินฟ้าอากาศไม่ได้ฝนมันจะตกแดดจะออกหรืออะไรจะเกิดขึ้นเราไปยับยั้งมันไม่ได้เหมือนกับคนคนอื่นเราไม่สามารถไปควบคุมบังคับไปหาเหตุหาผลจากเขาได้ เอเวลาเขาก็มีเหตุมีผลบางเวลาเขาก็ไม่มีเหตุไม่มีผลถ้าเรายอมรับเขาเหมือนกับเรารับ ja, ย, ยินค่าอากาศได้เราก็จะไม่ทุกข์ที่เรามันทุกข์เพราะเราไม่ยอมรับความจริงที่เขาเป็นปรากฏอยู่เราอยากจะให้เขาเป็นไปตามความรู้สึกนึกคิดของเราพอมันไม่เป็นไปตามความรู้สึกนึกิดเราก็เลยไม่สบายใจเราไม่มองความจริงเรามองความอยากของเราเป็นที่ตั้งเราต้องมองความจริงเป็นที่ตั้ง อันนี้ฝนตกอย่าไปให้มันหยุดอันนี้จักรจันทร์มัน้องอย่าไปอยากให้มันหยุดต้องเชียร์มันให้มันดังวันนี้ได้ไหม<ะ>อันจะได้ไม่ทุกข์กับมันฝากถามอีกหนึ่ ง, งท่านค่ะตอนนี้ป่วยเป็นโรคเรื้อรังต้องทรมานจากการเจ็บปวดของโรคและต้องเสียเงินค่ารักษาโรคเป็นจำนวนมาก เสดายเงินในใจคิดว่าถ้าไม่ป่วยก็คงดีเอาเงินไปทําบุญได้จะจัดการกับความรู้สึกตัวเองยังไงมี3ามคำถามค่ะข้อแรกกับอาการทรมานของโรคที่เกิดขึ้นต้องใช้ใอุเบกขาฝึกสมาธิทําใจให้เฉยให้นิ่งถ้าใเจเฉยใจนิ่งเราจะไม่ทรมานกับการเจ็บปวดขอ ง, งร่างกายข้อที่สอง เนื่องจากเสียเงินไปกับการรักษาโรคเยอะไม่ค่อยมีเงินเหลือสำหรับทําบุญเคยได้ยินเรื่องบุญกิริยาวัตถุสิบว่ามีวิธีได้บุญโดยไม่เสียเงินช่วยอธิบายให้ฟังเจ้าค่ะก็เ น, นี่วิธีทำใจให้อยู่กับความเจ็บปวดของร่างกายให้ได้เป็นบุญที่สูงกว่าดีกว่าบุญที่เกิดจากการทำบุญทาทานพยายามกสติพยายามนั่งสมาธิบ่อยๆให้จิตให้นิ่งให้เฉยแล้วจะได้บุญขั้นสูงสุด คำถามข้อที่สามมีคนกล่าวไว้ว่ายิ่งแก่ยิ่งโรคเยอะกำมดมากว่าในอนาคตจะต้องมีโรคเพิ่มกลัวอนาคตมากๆทําอย่างไรดีคะก็ทําใจงอย่างที่บอกเราถูกจดมาแล้วต้องเจเจอความแก่ความเจ็บ ค, ความตายเป็นธรรมดาทรวงพ้นไปไม่ได้ถ้าไม่อยากจะมาเจอกสิ่งเหล่านี้ก็อย่า ก, กลับมาเกิดใหม่แค่นี้ก็ต้องปฏิบัติทำปล่อยวางให้ได้ปล่อยวางทุกอย่างให้ได้ คำถามจากทาง Facebook จากคุณเปียกบ้านฉางตอนเช้าๆผมจะไปเดินออกกำลังกายผมจะฝากเงินกับแม่ค้าไว้ค่าอาหารซื้อแกงข้าวถุงให้กับลุงเก็บของเก่าขายแต่ผมไม่ได้อธิษฐานคำถามว่าผมจะได้บุญหรือเปล่าครับผมจะทำแบบนี้บ่อยๆครับได้บุญที่เกิดจากการให้มันไม่ต้องอธิษฐานคือการให้นี่ก็ าาการทำการกระทำนี้ก็เกิดจากการมีอธิษฐานอยู่ในใจแล้วหรือเรามีความตั้งใจจะทําบุญทําทางอยู่แล้วอันนี้แหละคืออธิษฐานที่แท้จริงคือการตั้งใจว่าจะทําบุญแล้วก็ได้ทําตามที่เราตั้งใจคือฝากเงินให้กับแม่ค้าไว้พอแม่ค้าเราให้เงินแม่ค้าไปเสร็จก็ถือว่าเราได้ทําบุญสําเร็จแล้วเราก็ได้ความสุขใจขึ้นความสุขใจ น, นี่แหละคือบุญคําถามฝากถามค่ะ สำหรับนักปฏิบตัติเมื่อเกิดทุกเขเวทนาขณะปฏิบตัติลูกควรจะทำอย่างไรเจ้าคะควรจะวางเฉยไม่ไปสนใจกับความเจ็บให้ถูกใจไว้กับธรรมฐานอย่างใดอย่างหนึง่งถ้าสวดมนต์ไปก็ได้สวดไปเรื่อยๆอย่าไปสนใจกับความเจ็บถ้าสวดได้ถ้าสวไดสวไม่ได้คำบริกรรมพุทโธคําเดียวก็ได้ขอให้มีเวลายึดเหนี่ยวจิตใจไม่ให้ไปสนใจกับความเจ็บแล้วทุกอย่างมันก็จะเป็ น, มนไม่เป็นปัญหาอะไร ใจนิ่งเฉยแล้วใจก็จะสบายคำถามจากทางเฟ e บุ o k คุณพุทธศักค่ะเนื่องจากผมประสบอุบัติเหตุปัจจุบันไม่สามารถนั่งในท่าขัดสมาธิได้ต้องนั่งบนเก้าอี้ตอนฝึกปฏิบัติสมาธิการนั่งบนเก้าอี้ปฏิบัติจะมีข้อจำกัดอะไรในการพัฒนาในลำดับต่อไปของการเจริญสมาธิและเจริญสติหรือไม่อย่างไรครับสาหรับผู้เริ่มต้นที่นั่งในท่า ที่มันไม่ต้องขัดสมาธิก็ได้แต่มันจะนั่งแบบไม่ค่อยสบายเหมือนกับนั่งในท่าขัดสมาธิแต่ถ้าเบื้องต้นเรานั่งในท่าขัดสมาธิไม่ได้ก็นั่งเก้าอี้ไปก่อนก็ได้แล้วพอเรามีความสงบมากขึ้นมีสติมากขึ้นเราก็จะสามารถนั่งขัดสมาธิได้ คำถามจากคุณพิมพ์ระวิค่ะการเป็นคนขี้รำคาญเพราะอะไรคะเช่นรำคาญคนพูดมากควรแก้ไขจิตใจอย่างไรดีคะเพราะใจเรามีความอยากให้คนนั้นเขาเป็นอย่างนั้นไปให้คนนั้นเป็นอย่างนี้พอเขาไม่เป็นไปตามความอยากของเราเราก็เลยรำคาญเขาขึ้นมางั้นอย่าไปอยากให้เขาเป็นอะไรปล่อยเขาเป็นตามเรื่องของเขาเหมือนกับเขาเป็นผลไม้เขาเป็นกล้วยก็ปล่อยเขาเป็นกล้วยไปอย่าไปอยากให้เขาเป็นมะละกอ พอเป็นมาไม่เป็นมากรเราก็จะวุ่นวายใจขึ้นมาพา mm hmm. เป็นกล้วยก็ปล่อยพอเป็นกล้วยไปพอเป็นอย่างนี้ก็ปล่อยพอเป็นอย่างนี้ไปแล้วเราจะไม่ําคายเขาที่ลำคายเพราะเราอยากจะเปลี่ยนเขาอย่าให้เขาเป็นอย่างอื่นคําถามจากทาง youtube ค่ะคุณซีชีวิตนั้นสั้นมากเกิดความกลัวมากเราควรจะทําอย่างไรดีครับเอทำบุญเยอะๆทําบุญทำทา น, นารักษาศีลภาวนาให้ ม, มากๆ เอาใจจะมีพลังสู้ออกับความความทุกข์ต่างๆที่จะตามมาต่อไปได้คําถามจากคุณทัศนีค่ะวิสังขารคือการไม่มีตัวตนโยนเข้าใจถูกต้องไหมคะไม่วิสังขารหมายถึงการไม่มีสังขารไม่มีร่างกายไม่มีสิ่งที่ปรุงแต่งสังขารแปลว่าสิ่งที่ปรุงแต่งสิ่งที่เกิดจากการปรุงแต่งร่างกายก็เป็นสังขารอย่างหนึ่งความคิดก็เป็นความคิดก็เป็นความปรุงแต่งอย่างหนึ่ง วิ่ก็คือไม่มีมันเข้าใจถ้าไม่ถ้าเข้าใจไม่ผิดวิถ้าผิดก็ไม่รู้เหมือนกันต้องไปถามทางกูเกิดูก็ได้คำถามจากคุณธรรมดีถวายพ่อหลวงขณะภาวนาหลับไปและฝันตื่นมาไม่นานความฝันก็เป็นจริงเราจะใช้ประโยชน์อย่างไรกับฝันให้เป็นประโยชน์ในการภาวนาต่ อ, อ, อถ้ามัน ทาให้เราไปนิพพานได้เราก็ใช้มันามาเป็นประโยชน์แต่ถ้ามันไม่ทําให้เราไปนิพพานเราก็อย่าไปสนใจมันถ้ามันเอามาดับทุกข์ได้ก็เอามาใช้ได้ถ้าเอามาดับทุกข์ไม่ได้ก็ไม่ต้องไปใช้มันไม่ต้องไปสนใจมันคำถามจากคุณกัมภาค่ะขอให้หลวงพ่อช่วยอธิบายเกี่ยวกับโพชงเจ็ดด้วยครับอตอนเราก็เองก็ไม่รู้มีอะไรบ้างมันก็เป็นเหมือนมรรคแปดเนนะี่ยทางสู่ความอยู่ทนจากความทุกข์เหมือนกัน มักมีสติผู้ชมก็มีสตมมสสมมิมักมีสมาธิผู้ชมก็มีอุเบกขามักมีสัมมาทิฏฐิตัมมาสังกัปปะผู้ชมก็มีธรรมวิจยโยมันก็เหมือนกันนันเดียวกันแต่เวลาแสดงธรรมบางครั้งผู้จักก็พลิกแพงนิดหน่อยให้มันดูแปลกหูแปลกตาไปเท่านั้นเองแต่ความจริงก็คืออันเดียวกันค่ะคำถามจากคุณอัมพรค่ะ ขออโหสิกรรมหรือการให้อภัยต้องทําต่อกันตอนมีชีวิตอยู่ใช่ไหมคะถูกต้องถ้าเรามีปัญห า, หากับใครแล้วต้องการที่จะให้ปัญหานั้นจบเราก็ต้องไปให้อภัยเขาหรือขออภัยจากเขาถ้าเขาให้อภัยก็จบถ้าเขาไม่ให้อภัยเราก็ต้องรอรับโทษไปรารอรับเวรไปต้องถามหมดคะ่ดนะเอาวันนี้คําถามส า, ารองมายังไม่มาเนยะ <laughs> มีใครอยากจะถามก็เชิญ<ช>นะเข้ามาถามได้เดินเข้ามาเลยในมาสการค่ะหลวงพ่อพอเอิญหนูยังไม่เคลายจากคำตอบที่หลวงพ่อให้ค่ะก็คือจากการที่หนูป่วยเป็นโรคเรื้อรังค่ะแต่ก็คือก็คือหลวงพ่อเคยแนะนำก็รักษาไปตามอาการแล้วก็ว่าวงอุเบกขาใช่ไหมคะแล้วก็ คือแต่ว่าก็คือยิ่งนานไปมันก็ยิ่งเพิ่มขึ้นแล้วก็ค่ารักษามันก็ยิ่งเพิ่มขึ้นด้วยค่ะคือหนูอยากจะจัดการกับความรู้สึกตัวเองในในเวลาที่จ่ายเงินแต่ละทีมันแบบเลยจมวนเงินที่เยอะแล้วมันก็ไม่จบไม่สิ้นนะคะหนูจะจัดการบอกตัวเองไงเวลาที่ตัวเองเสียตังค่าหมอเสียตังค่ายคาค่ะพระพุทธเจ้าบอกว่าเงินทางนี้ไม่สําคัญเท่ากับชีวิตของเรา เงินให้ฉะละเงินทองเพื่อรักษาชีวิตไว้เพราะชีวิตเรามีคุณค่ากับเงินทองมากเรายัางสามารถทําบุญทําประโยชน์อะไรได้มากในขณะที่เรามีชีวิตอยู่ถึงแม้จะยากจนเราก็ยังปฏิบัติทำได้ถึงแม้จะหมดเนื้อหมดตัวเราก็ยังสามารถสร้างบุญกุศลขึ้นมาได้บุญกุศลนี่สําคัญกว่าเงินทองเพราะว่าเงินทองเราติดตัวไปไม่ได้แต่บุญกุศลนี้เราสามารถเอาไปกับเราได้มีบุญกุศลก็จะพาเราไปสวรรค์พาเราไปนิพพานต่อไป งั้นอย่าไปเสียดายเงินถ้าเรายังมีชีวิตยอยู่เพียงแต่ว่าเราต้องใช้ชีวิตให้เป็นบุญเป็นกุศลนัพยายามฝึกจิตเยู่เรื่อสติอยูเรื่อนั่งฟังเทศฟังธรรอย่างนี้มาฟังเทศฟังธรรมานั่งสมาธิอย่างเนี้ยเป็นบุญเป็นกุศลมีคุณค่าราคามากกว่าเงินทอง ค, ค่ะยายค่ะรันก็ขอบพระคุณนะคะสรับคตอบขยคลียรย์มากเลยค่ะโอเค มีเข้ามาหรือยังยังไม่มีนะอผู้จา่าเรียงลำดับความสําคัญของสิ่งของที่เรามีอยู่คือทรัพย์อวัยวะชีวิตแล้วก็ธรรมมีอยู่สี่ระดับของที่มีคุณค่ากับสําหรับเราทรัพย์นีม่มีคุณค่าต่ําที่สุดท่านบอกให้สละไปถ้าเราต้องแลกระหว่างอวัยวะกับทรัพย์ให้เราต้องเสียเงินรักษาตาเราเพื่อไม่ให้ตาบอดอย่างนี้เราก็ต้องยินดีเสี ย, เ, สยเงินไปเพื่อเราจะได้รักษาตาเอาตาไว้ เพราะถ้าเรายังมีตาเรายังหาเงินใหม่ได้ถ้าไม่มีตานี่เราอาจจะหาเงินใหม่ไม่ได้เลยฉะนั้นก็ต้องสละทรัพย์ไปเพื่อรักษาอวัยวะแล้วถ้าหมอบอกว่าต้องตัดแขนตัดขาถ้าไม่งั้นจะตายเราก็ต้องยอมตัดแขนตัดขาไปเพื่อรักษาชีวิตไว้ฉั้นมาขั้นสุดท้ายถ้าเราต้องแลกชีวิตเราเพื่อให้เราได้ธรรมะขึ้นมาเราก็ต้องสละชีวิตไปเราถึงจะได้ธรรมะอันเลิศอันประเสรศิฐคือพระ น, นิพพาน คนที่จะไปนิพานได้ต้องไม่กลัวตายต้องยอมตายอ mm. ถึงเวลาที่เราจะต้องเลือกระหว่างทำกับชีวิตพระเจ้าบอกให้เลือกธทำนี mm. ่คือสิ่งที่เราควรที่จะรู้ว่าอะไรสําคัญกว่ากัน mm. เพราะชีวิตนี้มันเป็นของชั่วคราวเดี๋ยวเราก็ตายแนละ้วตายแล้วก็จบเอาอะไรไปไม่ได้ของที่เราหาได้ในโลกนี้เอาไปไม่ได้นอกจากบุญกุศลนอกจากมรรคผลนิพพาน mm. ถ้าเราได้มรรคผลนิพพานเราก็จะได้ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไป คำถามจากทาง Facebook คุณอัญชลีค่ะคุ ณ, ณสมบัติของการเป็นคนดีต้องทําอย่างไรบ้างเจ้าคะก็เนี่ยทาทานใจบุญฉุนทานมีความเมตตาการุณานะแล้วก็รักษาศีลไม่เบียดเบียนพูดไม่ทำร้ายพู้ืนะ่แล้วก็ทําใจให้สงบทําใจให้เป็นอุเบกขา <c oughs> ก็จะได้มีกิริยาการที่ไม่วุ่นวายไม่ไปยุ่งอะไรกับใครไม่ไปทําอะไรให้คนอื่นเขากังวล คนที่มีความสงบนี้จะเป็นคนที่ไม่ไปทำให้พูดเ็าเดือดร้อนให้ทำทานรักษาศีลแล้วก็ภาวนาไปคำถามจากทาง u ู u b e คุณชัยสรรค์ค่ะอรูปภพ ม, ม์เป็นพรมพที่ไม่มีรูปใช่ไหมครับภาวนายอย่างไรเพื่อจะให้ไปเป็นอรูปภพมอรูป ป, า ป, ปชาญเป็นเหตุให้ไปสู่สอรูปภพมรูป ป, ป, ปชาญเป็นเหตุไปสู่ให้ไปสู่รู ป, ประพม รูปประพรมนี้จะหยาบกว่าอารูปประพรมอารูปประพรมจะละเอียดกว่าสงบกว่าสุบมากกว่ารูปประพมเก็จากการได้ฌานระดับต่างๆกันถ้าได้รูปประฌานก็จะไปสู่รูปประพรมถ้าได้อารูปประฌานก็จะไปสู่อารูปประพรมคำถามจากทาง Facebook จากคุณตระกูลจินดาค่ะอิทธิบาทสี่คืออะไรคะควรปฏิบัติอย่างไร คุณธรรมสี่ประการที่จะทำให้เราทำอะไรได้สาเร็จรุ่เรื่องไปอย่างง่ายดายคือสันทะวิริยะจิตตะวิมังสาฉันทะก็คือความชอบความยินดีในสิ่งที่เราทำเมื่อเราทำอะไรที่เราชอบเราก็จะมีความเพียรความพยายามเมื่อเรามีความเพียรพยายามเราก็จะมีความตั้งใจที่จะทำงานที่เราชอบนี้ให้บรรลุรุ่่งไปแล้วเราก็จะมีปัญญาคอยวิเคราะห์ดูว่า เราทำถูกไหมทาผิดไหมอย่างไรต้องแก้ไขอย่างไรฉันทะความชอบวิริยะความเพียรกิตตาความแน่วแน่ความตั้งใจแล้วก็วิเบอุเบอวิบงังสาการพิจารณาค่ายควรด้วยปัญญาด้วยเหตุด้วยผลถ้าเรามีคุณธรรมสีข้อนี้ไม่ว่าเราจะต้องการจะเป็นอะไรทำอะไรเราก็จะประสบกับามสำเร็จถ้าเรียกว่าอิทธิบาท4ี่บาทแปลว่าทางอิทธิแปลว่าความยิ่งใหญ่ ความสำเร็จอิทธิบาทสี่คือทางสู่ความยิ่งใหญ่ความสำเร็จคำถามจากทางคุณทีละกา ร, รนาค่ะเป้าหมายของการปฏิบัตินั้นเพื่อให้ใจของเราได้เข้าถึงอุเบกขาให้ได้มากๆเพื่อเจเราจะได้มีพลังเพื่อไปสู้พวกความอยากที่จิตไปปรุงแตง่งยิ่งทำได้มากยิ่งทำให้จิตสงบได้มากได้ทุกเรื่องราวที่เราไปผัดสะ เมื่ออุเบกขามีมากความสุขความสบายใจย่อมเกิดขึ้นมาเองโดยอัตโนมัติอันนี้คือความสุขที่เกิดขึ้นแบบนี้มาถูกทางแล้วนะเจ้าคะาขอความเมตตาค่ะถูกทางแล้วพยายามใจนิ่งให้สงบไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นมาอย่าพป อ, อยากกับสิ่งนั้นสิ่งนี้ใครด่าเราเราก็เฉยสงบแล้วเราก็จะไม่เดือดร้อนถ้าเราไปอยากให้เขาไม่ดา่าเราเราจะเครียดขึ้นมาทันทีงนั้นพยายามมีอุเบกขาแล้วเราจะสามารถหยุดความอยากต่างๆได้ กายจะนิ่งเฉยไม่เดือดร้อนกับใครทั้งสิ้นกับอะไรทั้งสิ้นเหมือนหยดน้ําบนใบบัวน้ํากับใบบัวมันจะไม่ดูดซึมเข้าหากันเพ่ยงแต่สัมผัสรับรู้กันต่างฝ่ายต่างอยู่กันใจที่มีอยู่เบกขาก็จะเป็นเป็นเหมือนใบบัวที่จะไม่ดูดซึมอะไรเข้ามาในใจด่าก็ไม่ดีใจชมก็ไม่เสียด่าก็ไม่เสียใจชมก็ไม่ดีใจเฉยๆไหม ก็รู้ว่ามันเป็นของไม่เที่ยงเป็นของชั่วคราวมาแล้วก็ไปไม่ต้องทําอะไรอยู่เฉยเฉยดีที่สุดคำถามจากคุณนพัสวร์ค่ะถ้าตามความอยากจะไม่มีวันที่สิ้นสุดใช่ไหมคะใช่ความอยากมันไม่พอไงเมื่อไม่พร้อมอยากได้สิ่งนี้แล้วมันก็อยากจะได้สิ่งนั้นต่ออยากได้สิ่งนั้นแล้วก็อยากได้สิ่งนู้นต่ออยากไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุด เพราะความอยากไม่ใช่ความพอวิธีจะทำให้เกิดความพอคือต้องหยุดความอยากทำลายความอยากพอความอยากหายไปความพอก็จะปรากฏขึ้นคำถามจากทาง Yuurait YouTube คุณคนทำดีค่ะท่านที่ถอดกายทิพย์ออกไปแสดงว่าปล่อยวางร่างกายใช่ไหมคะชานสีใช่ไหมคะก็จะว่าปล่อยวางก็ไม่เชิงเพียงแต่แยกด้วยสติยังไม่ถือว่าปล่อยวางเพราะยังกลับมาอยู่ พอสติอ่อนกำลังลงก็จะถูกอุปทานความยึดมั่นถือมั่นดึงให้กลับเข้ามาสู่ร่างกายใหม่ถ้าจะแยกแบบถาวรต้องใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นว่าร่างกายนี้เป็นทุกข์ร่างกายเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะมีมีแล้วต้องเป็นภาระกับจิตใจสร้างความทุกข์ให้กับจิตใจตัดความอยากมีร่างกายให้ได้ผัดความอยากให้มีร่างกายแล้วต่อไปก็จะไม่มีร่างกายต้องใช้ปัญญาถึงจะแยกแยกใจออกจากร่างกายได้อย่างถาวร ถ้าใช้สมาธิใช้สติก็จะยากแบบชั่วคราวเวลาเข้าสมาธิคำ<ม>ถามถา ม, มจะ้ะโอเคมีใครอยากจะถามอีกไหมไม่มีก็จะขอยุติการสนาทนาถามไว้เพียงเท่านี้ก่อนสำหรับวันนี้ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเถิ